พอานน้อมต่อประาตรมีพระพุทธระธรรมพระสง์ซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสรณะหนาสำหรับพวกเราชีวิตทุกๆชีวิตต่อให้ความเคารพอย่างสูงมาอย่างลวงปกรมเป็นประธานเขากาะเพื่อนสาติธรมิกที่เคารพทุกๆรูปจันพรเพรจันธรรในรมมายัง คุณโยมแมจีอุบาสกวาสิกานะักวยธรรมที่มาร่วมกันธรวมดเช้านี้ทุกท่น า, านหลังทรามะเราก็นั่งปฏิบัติธรรมกันเหมือนทุกครั้งการปฏิบัติธรรมเดินกลับมากลับมาหา ธรรมชาติเดิมแท้ไปเกิดปัญญาสูงสุดมันเป็นปัญญาที่เดินทางไปสู่ความไม่เสื่อมระว่านเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายเนื้อทุกไปเราได้ใช้ตัวชีวิตของเราอย่างคุ้มค่า ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจทิเันพูดถึงว่าเราอุปโลกอุปโลกขึ้นมาเป็นหน้าที่ต่างๆซึ่งเป็นความมีวัดพัฒนาทำาเราดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่าง p ระุกเกิดสันนิสุขสันนิภาพ เราต้องมาทำความรู้จักแยกแยะตัวเรารูปธรรมนามธรรมกันหาเป็นภาษาในอุศาสนารวมต้นจากการเรีรู้จักกายใจของเรารู้จักสติมันเป็นองค์ธรรมเป็นกุณธรรมเป็นชื่อของธรรมชาติตัวหนึ่งในชีวิตของเราที่มีความสำคัญสูงสุด การแล้วรู้แล้วก็รู้ถูกเรียกว่าสัมมาสติเราเรียกว่าสติปัฏฐานรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วไม่เอารู้แล้วเห็นจะทั้เกิดปัญญาแทงทะลุเห็นการเกิดดับของกิเลสกิเลสก็เป็นชื่อของฝ่ายที่พัฒนาไปสู่ความเสื่อมความทุกเบียดเบียนตัวเองเบียดเมียนผู้อื่น เป็นความหลงความหลงพาไปความรู้มันก็พาไปทั้ไปคนลัทางกันอีกคนนึงจะพาเดินไปทางาหน้าสู่ความไม่เสื่อมในฝ่ายนะครับกับหลังหันเดินทางไหลลงต่ำไปสู่ความทุกข์ยากลาบากกายใจไม่ได้คำตอบในการที่จะดำรงชีวิตยอย่างไร โดยที่ไม่ต้องขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าทําให้เราเกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้ืนต่อไปทางกายวาจาใจเราก็ได้ใช้คุณธรรมที่มันเกิดขึ้นจากการรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวหรู้สติสัมปัญญะตัวนี้จึงเป็นสติที่ไม่ใช่ระดับสัญชาตญาณธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันก็พัฒนาจากความเป็นธรมธรมดาธรรมดา นะก็คือสัญ ญ, ญายาเป็นสติปัฏฐานจากสติที่รู้ออกไปนอกตัวนะเรื่องของรสนะชาตินะอัตธรสที่มันเป็นเรื่องของภัจจะการกระทบสัมผัสทางตาหนะูจมูกลิ้นกายใจนะที่โลกใบนี้มันก็สัสร้างนะหลายคนอาจจะหาความสุขนะขนาดนี้นะ ไปนอนอยู่ที่สูงๆบนเทือกเขาหิมะหิมาลัยหรือว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์มันมีแน่นอนบางคนอาจจะอยู่ปากปล่องภูเขาไฟเพิ่มโหลดโลกแอนตาร์กติกกลัวโลกใต้ยกลัวลกเหนือก็ตามหรือบางคนอาจจะดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อพิสูจน์ความจริงครั้งแล้วค้างเล่าคนหาความลึกลับ ที่มันมีอยู่ที่กนุอย่างค้นไม่พบนี่นะตามวิยาศาสตร์ต่างๆเราก็มาเรียนรู้มาเดินตามก็ว่าได้เราไม่ได้มาค้นหาอะไรร <c oughs> อยที่มันมีอยู่รอยศีลรอยธรรมรอยความไม่ทุกข์รอยของปัญญารอยของสติหรือการ ร, รู้ที่ฐานกายเวนะจิตธรรม มันเป็นล่องเป็นลอยนะที่ผู้เดินทางไปก่อนได้ชี้บอกเขาไว้อย่างตรงไปตรงมาเราก็ได้เห็นว่าเออมีกลุ่มต่างๆรูปตรมนามธรรมขันธ์ห้าที่มันอยู่ขณะนี้มันก็ยังมีอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกรู้สึกมันก็เป็นรูปธรรมนามธรรมมันมีจริงๆเราก็ตื่นตาตื่นใจ ไม่ได้ดูด้วยความโงโอกง่วงไม่ได้ดูด้วยความเหงาไม่ได้ดูด้วยความรู้สึกสับสนว่ามันคืออะไรเกิดคำถามลังเลสงสัยนะมันไม่มีหรอกในความรู้สึกตัวนะมันเป็นความปกติธรรมเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะถูกกั้งนะที่มันมีการแสดงออกมาให้เราได้สัมผัสนะแล้วเราเองก็หันหน้ามาดูมันก็เห็นทันที ความรู้สึกตัวมีอยู่ตลอดเวล่ำเวลาจิตศีล ส, สมาธิปัญญาก็มีอยู่ตลอดเวล่ำเวลาแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกตัว เ, เ, เราไม่เคยได้หันหน้าหันตามาสัมผัสกับเขาตรงๆ เ, เราใช้อะไรเป็นตัวสัมผัสกับเขาตรงๆก็คือใช้สติสติเนี่ยแหละที่มันมีอยู่ตามสมควรแก่การไปรดอยของตามลบนุคน บางคนก็มีสติว่องไวมากบางคนก็มีสติว่องไวน้อยอย่างเงี้ยนะก็จะมีการฝึกหัดให้เห็นรายละเอียดต่างๆสติน้อยๆหยาบๆก็เห็นของที่มันใหญ่ๆวตัตถุรูปธรรมพวกนี้สมมุติบัญญัติพ ว, ก, ว, ก, ว, ก, วกนี้มันหยาบอารมณ์ต่างๆความโลภความเกรีดความหลงอะ้มันหยาบเมื่อสติมากขึ้นว่องไวมากขึ้นมันก็เห็นรายละเอียดต่างๆ เห็นตัวธรรมชาติไปในเห็นตัวรมที่มันละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยสติน้อยๆมันก็เห็นยาบหยาบสติที่มันมีมากมากเห็นละเอียดละเอียดนะธรรมละเอียดเอียดลึกซึ้งมันเป็นความทราบซึ้งอยู่ข้างในมันมีอยู่ได้ว่าที่ภาษาเขาเรียกว่าสังโยชน์เนี่ยนะสังโยชน์เนี่ยมันตัวละเอียดอย่างเหนียว มาทำจนเกิดจริตนิสัยขึ้นมาเป็นคนขี้สงสัยก็สงสัยอยู่นั่นนะเป็นคนช่างถามก็ถามอยู่นั่นนะเป็นคนที่โธสาจริตโมหาจริตโลภาจริตมันก็ไหลไปอย่างนั้นเลยนะเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมันก็เป็นวิตกกังวลเป็นคนที่ชอบทําบุญทำทานมันเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบให้มันก็เกิดนิสัยเหล่านี้ขึ้นมา เราก็ได้เห็นโนนี่คือสั่งยศเป็นความละเอียดอย่างเหนียวบางทีเราก็สลัดแล้วสลัดอีกนในการที่หารหลังให้เขายังไม่ต้องทํายังไม่ต้องทํำเ <_ c oughs> คลื่อนไหวเดิอนอยกงล ก, ก, น ก, อนอยกลม <_ c oughs> รู้สึกในการเดินโยงกลมเคลื่อนไหวมือ14บส่บกเรู้สึกในการเคลื่อนมือ14บสี่ <_ c oughs> ชิงจิตมันก็หดไหลไปตามนิสัยเคย ช, ชินชอบคิดอะไรมันก็ไหลไปอย่างนั้ น, น <_ c oughs> อันนี้ก็คือธรรมชาติของจิตเหมือนกัน แต่เป็นธรรมชาติฝ่ายที่พาไหลลงสู่ความเสื่อมก็คืออคุโสละธรรมความไม่ฉลาด ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ก็ทำดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้พอฟังก็พูดน่ยรู้ว่าดีฟังก็พูดน่รู้ว่าไม่ดีแต่ว่ามันดีชั่วรู้หมดนะแต่่ามันอดไม่ได้เวลาถ้าได้โอกาสทีไรมันก็ทุกตีเลยเคย อบรมยาเสพติดสมัยสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดระยองมีผู้พิพากษาสมทบก็คือคุณอะไรลาวันคุณอะไรทำไมลืมชื่อมันลืมชื่อเดี๋ยวนึกออกแล้วให้บอกเป็นปัจจัยคนนึงที่อยู่ในนี้สร้างกดตอนนี้อาจารย์ว่าใจก็อยู่กดของเขานี่แหละทีนี้ ก็เป็นผู้พิากษาสมทบของจังหวัดระยองเขาก็เอาเด็กยาเสพติดมาอบรมประมาณสักคนเนคน8ปคนประมาณนี้เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหน้าตาที่เฉยๆเวลาพูดอะไรก็รับฟังแล้วเขาก็เจริญสติฝึกสติจนทั้งการรู้สึกว่ามีความสุข มันมีพิธีเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัติในวันที่3ที่4ก็เห็นว่าเออเป็นลักษณะของจิตที่มันเดินทางสามารถจะลดละเลิกยาเสพติดได้แน่นอนแต่ว่าพอหลังจากนั้นกลับไปในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ให้กลับบ้านเพื่อที่จะภาคทัน รายงานตัวทุกๆ3ามเดือนทีนี้หลังจากที่เขาก่อนที่จะกลับไปบ้านได้มีโอกาสมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมแต่พอังหลังจากกลับจหลังจากกลับไปที่บ้านเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ากลับไปเจ็บติดอีกเหมือนเดิมก็ถูกจับใหม่ครั้งหนึ่งก็ก็สอบถามว่าทำไม ได้มีพฤติกรรมไปทำอีกทั้งนี้รู้ว่าทำไมะดีปฏิบัติธรรม ด, รรมดีหลังจากที่ เ, เรากลับไปทำไมมันถึงไม่รู้สึกตัวขาดสติเด็กก็ต่อว่าผมก็มีความรู้สึกรู้อยู่นะว่ามันไม่ดีแล้วผมก็รู้อยู่ว่า เ, เพื่อนเอายามาให้นะไม่ดีแล้วยาก็มีแต่ว่ามันก็ยังเอามาเสพอยู่ ก็เลยสรุปกันว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของจิตที่มันประทับลงไปอย่างนั้นะมันติดเหนียวแน่นมากนะก็คือลักษณะของสั่งยอดเนี่ยนะเอเหนียวจนเป็นจริตนิสัยอย่างเงี้ยมีโอกาสก็เอาอีกมีโอกาสก็เอาอีกทําอีกทําอีกนะก็เรียกว่าดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะกรรมใครก็กรรมใครอ่ะนะก็ทกํกกากันแล้วก็รับผิดชอบกันเอาเองก็แล้วกันนะ ประเด็นลักะของกรรมฐานเนี่ยเจริญสติฝึกสติก็ต้องเห็นรายละเอียดเหล่านี้นี่แหละเช่นเห็นตัวลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเวลามันคิดมันสงสัยความสงสัยก็คือความคิดนั่นแหละเมืางเวลาคนมาถามธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะเราก็จะต้องเห็นความคิดของเราขณะที่ถามนะสำคัญที่สุดมันคือนิวรธรรม รักษณะของธรรมะที่มันเป็นนิวรธรรมธรรมชาติที่มันยึดติดนิวรธรรมลังเลสงสัยคือสั่งย่อตัวแรกเลยถ้าคนที่สงสัยก็เห็นไม่เลยว่าคือความคิดที่มันกนแสดงปรากฏออกมาแล้วมันก็ยังใช้ทางวาจาให้เกิดคำถามนี่นะก็ต้องไข ค, ควรถ้าหากว่าเห็นว่าถามแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำตอบ เราหายสงสัยคลายแล้วเกิดความสะดวกในการที่จะเดินทางต่ออันนี้ดีเพนะราะว่าเราถามด้วยความตั้งอกตั้งใจนะแต่บางทีคำถามมันถามด้วยความไม่อยากรู้นะมันถามเพื่อจะอวดภูมิภายในว่าเรารู้อะไรแล้วคนที่ถูกถามนะรู้แค่ไหนนะไม่เป็นนะลองภูมินี่ก็จะเป็นกิเลสอีกตัวนึงนะสั่งย์ตัวนี้นะความลังเลสงสัย สงสัย่าเขารู้หรือไม่อันนี้ก็สงสัยแต่แทนที่จะถามเพื่อให้ตัวเองได้คำตอบแต่มันถามเพื่อที่จะให้เขานะได้กลับมาดูตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าสมัยพุทเจ้าเองก็เกิดคำถามขึ้นมาในพระุทธองค์มี30มคนพัทลวะคีก็ได้ใช้วันหยุดเป็นหนุ่มเจ้าสาราน พาคนไปเที่ยวกันผู้ชายกลุ่มเพื่อนๆกับผู้ชายด้วยกันแล้วผู้ชายก็มีหญิงสาวเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปด้วยกันทั้งหมดกจํานวนจํานวนสิบห้าคู่ส0คนทีนี้ก็เดินทางไปก็เหนื่อยก็แวะลงสงสนานเล่นน้ำกันกระถอดเครื่องทรง ประเภทเครื่องประดับต่าง ๆ, างๆส้แหวนกำไรเสื้อผ้าแพรพันถอดเอาไว้ก็มีหญิงสาวมีจริตนิสัยที่เป็นขี้ขโมยโรบมากเห็นก็อดใจไม่อยู่เสจแล้วก็เลยขโมยทรัพย์สินที่มีก้าเหล่านั้นแล้วก็หนีไปขณนี้หลายคนกำลังสูงสนานไม่ได้หวาดระแวง หญิงสาวก็หายไปพวกที่เล่นน้ำขึ้นจากน้ำมาก็ไม่พบนะเครื่องประดับของตัวเองทรัพย์สินของมีค่าเสื้อผ้าแพพันต่างก็มองหน้ากันแล้วก็เดินตามไปในทิศทางที่หญิงสาวนะเดินหายไปก็ไปพบกับพรนะุธองค์กำลังเดินสวนทางมาก็ถามทันทีเลยเห็นหญิงสาวไหม มันขโมยของพวกเราไปหมดเลยพระองค์ก็เลยหยุดนิ่งจะบอกว่าไม่เห็นก็โกหกจะบอกว่าเห็นเดินทางไปทางเนี้ก็สงสารผู้หญิงจะถูกทำร้ายก็เลยใช้ปัญญาถามกลับว่าจะหาหญิงสาวหรือว่าจะค้นหาตัวเองดี พรกุหลพัทลอดทีขี่ก็โอ้เราตามหาหญิงสาวเพื่อจะเอาของเอาเครื่องประดับคืนอันนี้ก็คือการยึดติดครั้นอันนี้เราได้ยินคำถามว่าจะค้นหาตัวเองดีไหมตอบกลับไหมค้นหาตัวเองโอ้นี่คือพระเจ้าหรือเปล่านี่คือสมณะที่มีชื่อเสียง ว่าสามารถที่จะชี้ทางสว่างให้คนพ้นทุกข์ได้หลายคนก็เอใจมีปัญญาผู้องค์งเทศนายจะนั่งพัฒนาวิเคระบรรลุธรรมในขณะนั้นเลยพร้อมกันทั้งหมดมันก็เป็นคําถามที่ทําให้เกิดปัญญาก็ได้หรือว่าคําถามทำให้เกิดปัญหาก็ได้หนึ่งนะแค่นี้ตัวคิดตัวนั้นนะสำคัญเราต้องรู้เท่ารู้ทันกัน มันเกิดความคิดขึ้นมามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็อสงสัยขึ้นมาอันนี้ถ้ารู้ทันก็สามารถเป็นพระโสดาบันไนดะ้พระโสาดาบันคือละสังโยชน์เป็นคนขี้สงสัยผุ้ทิจริทธนะ์ช่างคิดช่างถามอันนี้เวลานาของพระโสดาบันที่จะต้องผ่านสกายญาทิฏฐิทิฏฐิที่มีอยู่ในกายของเราเห็นกายนะเป็นกู เห็นกายไม่ใช่ศักทว่กายไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาไม่เห็นในสัจจะความจริงของรูปธรรมว่ามันเป็นเพียงแค่ก้อนธาตุเป็นแค่ธรรมชาติที่มันมาประชุมกันแล้วก็เป็นตัวตนที่เป็นแค่เครื่องอาศัยหรือว่าอาศัยละลึกกายศักทว่กายไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขานรานการเคลื่อนเมือเนี่ยเราเคลื่อนเพื่อเห็นกายศักทว่ากาย รู้สึกที่กายแล้วก็วางความรู้สึกที่กายนะกายยวิญญาณอย่างน้อยเรารู้จักวิญญาณตัวหนึ่งละนะกายยะวิญญาณนะเป็นหนึ่งในการห้านะที่เราจะต้องทําความรู้จักเขาว่าไม่ใช่เรานะไม่ควรยึดไม่ควรถือนะเดี๋ยวาตายสุดตายเน่าเข้าลงก็จะได้วางขณะที่มันใกล้ตายจริงๆนะดินสูดดินน้ํนาสูดน้ําลมสุดลมไฟสูดไฟนะนะเพราะนั้นเราก็ได้เตรียมมาไว้นะ แกเราก็ไม่ได้แก่ไปตามเขาเจบ็บเราไม่ได้เจ็บไปตามเขาถึงาาแล้ตายเราก็วางเป็นเนี่ยเรามาฝึกหัดปริบัติธรรมเราต้องเห็นอย่างนี้นะละตัวละตนสกายยาติติศีลนะพระตถาปรามา a นะก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ยึดนะว่าจะต้องทําวิธีการนั้นวิธีการนี้วิธีการนู้นนะไม่ได้ยึดแบบนั้นนะพนะระนาราคือศีลพระตถาป harma นะ ยึดถือว่าเออนี่คือนะแมชีนี่คือพระนะเป็นชนชั้นนะมันเป็นเพียงแค่การอุปโลกหรือว่าการสมมุติขึ้นมาในโลกนี้นะเพื่อสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผ า, าสุกก็ไม่ต้องดูอะไรมากตอนนี้พระการออกแบบสลาโดยเนะีนะ่ยนะีต้องยกขึ้นมาประมาณสองคืบนะนะคืบเจ็ด เ, เพื่อสมมุติให้มีความแตกต่างกันเฉยๆฆราวาสญาติโยมศินห้าสินแปดสสี 8, ส่ สีสองร้ลาก็สมมุติตองกรแล้วก็แต่งสีอย่างเงี้ยนะแล้วในสีแบบนี้ก็มีอหลายสีมันไม่ใช่โมงปลาเหลืองโมงปลาเหลืองอย่างเดียวบางทีก็เหลืองอ่อยเลยบางทีก็เหลืองแบบหมากศพเงี้ยบางทีก็เหลืองแบบเขียวก็สมมุติเรียกกันแปนะเขียวบวรอย่างเงี้ยนะกากเขียวบวรเดียวกากแดงบางทีก็กากแ ก, แก่นขนุ น, นก็สมมุติกันไปมากมายมาตั่งเพทลทโร่มาลองดูสิ สีแตกต่างกันก็สมมุตินะทําด้วยไอ้นั่นไอ้นี่นวลทองเหลืองทองแดงสํำลิดแตกต่างกันไปมากมายตามที่แล้วแต่ราชบุคคลที่เห็นว่าประโยชน์เกิดอย่างไรวัสดุใช้อย่างไรก็สมมติกันไปอย่างนั้นะนะถระเราตปยกาพระพุทธนะก็ติดทองเหลืองกาพระธรรมก็ติดใบลานกาพระสงฆ์ก็ติดลูกหลานชาวบ้านนะ โลโกโลโก้ทนะโลกอนเอิร์ดเราก็ไม่ได้ศรัทธาเริ่มใสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้เป็นลนักษณะของศีลพระตาปรามาตอย่างเนี้ยนะผิดศีลไม่ได้ผิดวินัยไม่ได้ทําผิดก็เอาจริงเอาจังทะเลาะกันกัดแย้งกันเนะีอันนี้ใช่ทั้งหมดนะมันก็จึงมีลักณะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นแล้วไม่เป็นไรแต่ละเรื่องท้ายสุดก็คือมันเป็นสรรนัญญาทีละเอียดนะ <c oughs> ก็คือตัวอวิชชา อวิชชามันเป็นเรื่องของพระรหันต์นี่ต้องละนะอวิชชาคือความหลงไม่รู้อย่อางเงี้ยอวิชชามันทําให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เราละหมายถึงว่าเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชาขึ้นมามันรู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมากลายเป็นว่ารู้วาเราไม่รู้อย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนเราไม่รู้เราไม่รู้ตอนนี้เราเริ่มรู้ว่ามันหลงเมื่อก่อนเราไม่รู้มันหลง ปเปล่าไปอ่ะมันหลงแล้วเราก็รู้มันหลงแล้วเราก็รู้เราเริ่มรู้ว่าเรารู้อย่างเงี้ยไงตายเสือเราก็เออ <c oughs> เรารู้ว่าเรื่องหลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะหลงไม่ไดความคิดเนี่ยการที่ความคิดปรากฏขึ้นมาห้ามมันไม่ได้เราก็เริ่มรู้แล้วนะไม่ใช่ว่าพอมันคิดปั๊บแล้วกลายเป็นว่ามมันคิดทําไมทําไมมันต้องคิดนบางทีนะีความฟุง้งนซะ่านมันต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วละนะ่ะ มันหายไปไม่ได้หรอกความปุ้งเนี่ยให้สังเกตได้ดีปฏิบัติ ธ, ธรรมนะมันเหมือนแมงบีแางวันเล็กๆน้อยๆให้เกิดความลำคาญเล็กๆขึ้นมามันไม่ได้หมายถึงว่ามันผิดไม่นายหมายถึงว่าปฏิบัติผิดไม่ได้หมายถึงว่าเออทาไมทําไมปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วมันยังคิดอยู่เลยฟุ้งอยู่เลยมันเป็นตัวละเอียดตัวสังโยชนะ์นะี่มันเอาไปได้หรอกความคิดมันอยู่กับเรานอนเรื่องมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ คิดว่าพบชาติในที่นี้เนี่ยหมายถึงวันนี้นงไม่ได้หมายถึงว่าก่อนตายแต่เช้าตื่นมาขนาดเนี้เราคิดกี่เรื่องแล้วนีมันเป็นพบชาติพบชา ต, พชาติพบชาติกี่ครัง้งกี่หนแล้วอย่างนี้อย่างเช่นว่าเมื่อเช้าเปา็นยังไงตื่นขึ้นมามันคิดไหมนอนตื่นขึ้นมาตีสองนอนต่อมันคิดต่อหรือเปล่าหรือว่ามีความรู้สึกตัวอยู่จนกระทั่งเหมือนกับว่าโมันก็ธรรมดาธรรมดา มีบทนอนอยู่เป็นดุนเป็นก้อนเห็นมันอยู่มันไม่ใช่เรานะมันก็หมายถึงว่านะ่ละล่ะกำลังเดินทางอยู่รล้วเดินทางพ้นแล้วนะพ้นในละกษณะของปัโซดาบันพ้นไปแล้วลักษณะของสติ ธ, ธาคามีสติ ธ, ธาคามีก็แค่เพียงแคว่านะความโกรธเบาบางลงนะไม่ใช่หมายถึงว่าบรรลุธรรมแล้วก็ไม่มีความโกรธมันไม่ใช่ มันมีแต่ว่าเรารู้ทันมันมีแต่ไม่มากเหมือนเก่านะโตสาโมหาพวกนี้โลภะ พ, พวกนี้นะมันมีอยู่แต่ว่าเบาๆบางๆเรารู้ละละนะเห็นคิดเห็นทางเห็นช่องแต่มันยังเหลือเชื้ออยู่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัววิชามันยังหลงอยู่มันยังคิดอยู่ฟุ้งอยู่มันจะมีไปตามธรรมชาตินะระดับของภูมิจิตภูมิธรรมก็เป็นอย่างนั้นอนาคามีหมายถึงอะไรนะสังโยชน์ของอนาคามีก็หมายถึง ราคาปฏิฆะมันมีแน่นอนนะใครยังหงดหิดอยู่เขาแสดงยังมีปฏิฆะอยู่ใครที่ยังมีความอยากแล้วนะเล็กๆ น, น้อยๆนะอยากนั่นอยากนี่อยากดีนะอยากสวยอยากรวยนะอันนี้ก็แน่นอนที่สุดก็คือราคายังมีอยูนะ่ดูทางตาก็ชอบทางตาคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยนะไม่เด่นมองเป็นวัตถุอาการปรมาจิตนะมันมองคนนี้ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้มาก่อนก็ชั่วคนนี้ตอนนี้ก็ไม่ ก, ก็ยังชั่วอยู่ในใจของเราก็บางทีก็ทํายังไปถึงไหนเดินทางถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่เรายังมีความรู้สึกว่ายังมีเขามีเราแล้วเข้าดีเข้าชั่วอคติอะไรไหมอันนี้ก็คือตัวของปฏิกนะที่มันมันเกิดขึ้นมาจะต้องลามไปจะต้งมันแสดงออกเป็นอารมณ์ต่า ง, างๆขึ้นมาครา น, นี้ตัวของราคานะเนี่ยเป็นตัวละเอียดเนะดีวยวว่าความโลภเนี่ยละเอียดมากๆท้ายจุดน ก็สามารถเป็นความกลัวได้นมันออกไปขนาดนั้นจนท่านกลัวตายนั่นแหละพอเรากลัวตายเพรา ะ, ะอะไรมันก็ทําได้ทุกอย่างเพราะว่าใครๆก็รักชีวิตของตนของตนมาอยังตีออมเป็นราคาปฏิฆะได้หมดหนะงุดหงิดว่าเห็นว่าจะมีภัยอย่างเง้ย น, นะหรือว่เห็นว่านะเราจะเสียไปมันทําให้เราไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเยือ้อหรือว่า เอาไว้เป็นของตัวเองต่อไปกลายเป็นความโลภนะละท้ายสุดนะก็เป็นแค่ลักษณะของสังโยชน์ที่อนนาคามีก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในความรู้สึกในจิตใจของเรานี่มันคือลักษณะของรอยยิ้มหรือว่าหน้าบึง้งตึงเครียดนี่ก็เป็นลักษณะของปริพเทศความกังวลมากมายเหลือเกินที่แสดงออกเป็นรูปรอยของความคิด ผุดเกิดขึ้นมาขณะที่เราได้กนะลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองอย่างนั้นจริงๆของพระละหันนะต้องละอะไรบ้างเป็นเรื่องของรูปราคะอารูปราค้ามันมีอยู่อย่างมานาทิฏฐิเป็นเรื่องของรูปราค้อารูปราคะาพวกนั้นะมานาทิฏฐิต่างๆนะเป็นเรื่องของความละเอียดนะของอารมณ์ที่มันเกิดความคิดเล็กๆเล็กๆ เ, เ, เ, เล็กมากนะ หนะลวงพอเตี้ยเรียกว่าอาสะวะนะสะวะหรือเรียกว่าสะวะนะเป็นพบนะภาวาสะสวะเองนะเกิดมาจากกามสะวะนะกามก็คือชอบไม่ชอบตันหานะการ ม, มาตันหาเกิดความพอใจไม่พอใจนะละเอียดเลยเวลาพอใจไม่พอใจขึ้นมานะมันเป็นลนักษณะของพื้นจิตเดิมของเราที่มีทิฏฐิอยู่ชอบเอาตัวตนของเราไปวัดนะ คนอื่นถูกผิดเหตุผลต่างๆอเราเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็มองคนอื่นแปลกแต ก, กแยกจากเราไปกลายเป็นเรื่องของความทุกข์เล็กๆที่เกิดขึ้นมาในตัวเราถ้าหากเราไม่รู้เท่ารู้ทันที่ฐานกายเบื้องต้นเนี่ยนะมันก็จะไปแบบนั้ น, นเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่กายนี่ปลอดภัยใหญ่น้อยก็คือทําให้เราไม่เข้าไปในความคิดทั้งหมดยกระบบความคิดออกปไปเลย จนกระทั่งมันม around, ีแค่สัมผัสที่ฐานกายนะเกิดขึ้นมาสติสั่งให้รู้สั่งให้รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเบื้องต้นนั่นแะจนตอนหลังไม่ต้องเจตนารู้สึกมันรู้มันว่าปลอดภัยการที่เรารู้สึกที่ฐานกายเอากายเป็นวิหารละทามเนี่ยปลอดภัยจนกระทั่งมารู้ตัวตัวพร้อมตัวสาพานกายยิ่งปลอดภัยตัวนี้มันเป็นสติที่คมมากละเอียดมากนะ่างนี้นะดันั้นเราก็ มีลองรอยจริงๆในการที่จะเดินตามรอยเราก็ไม่ฟังหูซ้ายทะลุหูฝาเราไม่ฟังอย่างนั้นแต่เราฟังว่าเออประเด็นของความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราจะต้องทำจนกระทั่งทําเป็นจริงๆการรู้ที่กายเห็นกายในกายวิชาตัวตนบุคคลเราเขาการรู้ที่เวทนาเนวทนาคือสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆะ เราจะได้ละสุขละทุกข์เสียได้ตัวนั้นนะเห็นจนทั้งเป็นอาการธรรมดาธรรมดาที่ปรากฏอาการของกายของจิตที่ปรากฏขึ้นมาเห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเห็นเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นเป็นปรมาจิตจริงๆเป็นวัตถุอาการจริงๆเห็นจิตในจิตจิตในจิตก็คือตัวคิดนั่นแหละ แล้มีสติรู้อยู่เห็นอยู่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตนี่คิดเก่งอย่างเดียวเลยนาทีหนึ า, เ, าเด้ตรงเป็นทาวารของเขาได้ตรงนะจิตต้องคิดนะแต่ว่ามันจะคิดยังไงมันคิดให้ทุกคิดไม่ให้ทุกคิดเป็นประโยชน์คิดไม่เป็นประโยชน์นะั่อันนั้นคือประสบการณ์ทางจิตไม่ใช่หมายถึงว่าถูกหรือผิดนะจิตทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์แบบนี้แหลนะคิดไปถูกบ้างผิดบ้างนะคืออาการของจิตนะ เราต้องเห็นจิตในจิตนะที่มันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะเราจึงไม่ห้ามความคิดนะให้รู้สึกตัวแต่เวลาคิดเนะี่ยให้รู้สึกตัวตรงนี้สําคัญนะเห็นธรรมในธรรมนะคิดเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนะคิดแล้วดีใจเสียใจสุขทุกข์บุญบาปต่างๆนะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นภายนอกภายในรูปรดแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆนะ นี่เวาลาทำหรือสติศีนสมาธิปัญญาต่างๆมันเกิดขึ้นมาภายใ น, นอย่างนี้นะเห็นทำในธรรมแล้วก็ไม่ยึดด้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรายึดไม่ได้นะเพนะราะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆมันเป็นแค่สภาพธรรมที่เป็นการปรุงแต่งนะอย่างนี้นะเกิดขึ้นมาประชุมขึ้นมาจตั้งนะเราได้ใช้นะทําหน้าที่ต่างๆคิดพูดทนะํามีชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานะี่สลภาพเสรี สีเลสเสรีเกิดขึ้นมาก็ทำให้เกิดอิสรภาพขึ้นมาเราก็อยู่ในโลกใบนี้นะยังไม่แพ้แพ้ในที่ทั้งปวงยอมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถานเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดที่เดียวก็คือความรู้สึกตัวดันะ น, นั้นเราก็จึงนะปฏิบัติํามการไม่หันหน้าหันตาไปทางไหนนะรู้รู้ตามนามกันห้างเราอย่างเข้าหเข้าใจนะสัพรู้ตรงตรง ต, รงตรุกขณะตุกขณะเป็นปัจจุบันกันนะ เราก็ได้เห็นความจริ ง, จ ร, งจริงที่ปรากฏดนะัะนั้นก็ขอใหนะ้ความดีที่เราได้มารวมตัวปฏิบัติรรมนะการเดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์ก็จงปรากฏนะในขณะนีนะ้หรือว่าปัจจุบันนี้โดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนทันที